กลุ่มคนจีนนะอย่าเออเราเหยใจลอยไปกลุ่มทางนนะ้นนั่งเก้าอีใจมันล่องลอยไปความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดนะในการปฏิบัติเวลาเรารู้สึกตัวนี่คือใจมันตั้งมั่นอยู่กัะเนื้อกับตัวใจมันอยู่ที่ตัวเองมันก็เรียนรู้ตัวเองได้ เรียนรู้กายจะยรู้ใจได้ใจมันหนีไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สามารถเรียนรู้ตัวเองได้พวกเราเคยเห็นพระพุทธรูปปางหนึ่งไหมอยู่เหนือเสียนพระพรมพระเหนือพรมนึกออกไหมของหลวงปู่ดูก็มีหลวงปู่หงอะไรก็มีมีพระพุทธรูปแล้วก็ บนเสียนนั่งอยู่บนเสียนของพรมบางทีก็ยืนแล้วแต่จะสร้างมองด้านหนึ่งก็เป็นการบลาฟกันระหว่างาศาสนาว่าศาสนาพุทธเหนือกว่ า, าศาสนาที่มีเทวดามีพรมถ้ามองแบบนักปฏิบัติมองอีกแบบหนึง่งในตำรา ตำนานมากกว่าจะเรียกว่านิทานเนี่ยบพระพุทธรู ป, ป่างเนี้ยมาจากเรื่องราวพระพุทธเจ้ากับพระกาพรมพระกาพรมเนี่ยมีทิตฐิว่ากูเก่งที่สุดเลยกูเป็นสยามภูเกิดก่อนเขาเริอนไม่มีใครมีความรู้ดีเท่าเราพระพุทธเจ้าให้ไปทรมานพรมนี้ ก็ไปท้ากันว่าฝัดกันเล่นซ่อนหาดูเหมือนเด็กเลยนะเล่นซ่อนหาพระพุทธเจ้าบอกให้พรหมไปซ่อนก่อนพรหมจะไปซ่อนอยู่ในโลกไหนนะพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยตามได้หมดพอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าซ่อนนะพระพุทธเจ้าไปซ่อนอยู่บนเสียรของพรหมพรหมดูเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็าหาพระพุทธเจ้าไม่เจอมันแปลว่าอะไร คือพรมเนี่ยส่งจีดอกนอกเที่ยวไปดูที่โน่นดูที่นี่ดูที่โน่นไม่เคยย้อนมาดูตัวเองเมื่อไม่ย้อนมาดูตัวเองจะไม่เห็นพุท ธ, ธะถ้าย้อนมาดูตัวเองถึงจะเห็นพุท ธ, ธะนี่ถ้าเราดูพระเหนือพรมเป็นนะเรจะรู้เร้่องปสอนนั่ น, นึงสอนให้ดูตัวเองถ้ามวัวแต่ดูที่อื่นก็จะหาพุท ธ, ธะไม่เจอหา จิตที่หลุดพ้นไม่เจอเพราะฉะนั้นการที่จิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวนี่นะเป็นเรื่องสำคัญย้อนมาดูตัวเองบ่อยๆถ้าไม่ดูตัวเองไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลเลยที่ไปรู้ทั้งสามโลกนะก็ไม่เห็นพุท ธ, ธะนะเหมือนพรมมองไปทั้งสามโลกเลยทนะั้งนรกสวรรค์อะไรดูไล่มาหมดนะสามสิเ็ดภูมิหาพระพุทธเจ้าไม่เจอ เพราะมัวแต่ดูออกข้างนอกไม่ได้ดูตัวเองนี่ถ้าเราอยากคนพบพุท ธ, ธะในตัวของเราเองนะก็ให้จิตใจอยู่กับตัวเองคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีกายกับใจคือรูปกระนามท่านี้เองเพราะั้นพยายามรู้สึกตัวอย่าใจล่องลอยไปเมื่อวานวันซืนด้วยนะพวงพ่อตรวจการบ้านให้พวกอยู่วัด หกคนมีปัญหาเรื่องสมาธิผิดตลอดเลยผู้หญิงคนหนึ่งเพ่งอย่างแรงเลยเพ่งอย่างนี้นะตลอดวันตลอดคืนที่เพ่งอยู่นั้นมันเพ่งมันได้อะไรขึ้นมามันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองนะั้นไปบังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งๆเข้าไปบังคับมันไม่ใช่ไปเห็นมันอย่างที่มันเป็น อีกสองสามคนนะพวกผู้ชายใจฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ฟุ้งซ่าน ง, งั้นมันคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรนะว่าอย่าเผลอกระยาเพ่งเผลอเนี่ยคือใจมันจะออกนอกออกนอกไปทางไหนออกไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐะนะ นี่จะออกแปข้งนอกออกไปทางตาไปดูไปทางหูเนี่ยไปฟังไปทางจมูกก็ไปดมกลิ่นไปทางลิน้นไปรู้รสไปทางโพธภิภพไปรู้กายไหล่เอาไปดีกายเพราะอย่างถ้าเราดูหัวแม่มือตัวเองนะเขาจิตเคลื่อนไปอยู่ที่หัวแม่มือนะสมาธิที่ดีเนะี่ยหายไปแล้วนะกลายเป็นสมาธิชนิดเพ่งน่ะใช้ไม่ได้ แต่ถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่หัวแม่มือแล้วไม่รู้เนี่ยอันนี้ย่อหย่อนไปเรื่องเรื่องของจิตนะสําคัญที่สุดเลยอย่างว่าคนรู้ลมหายใจไปรู้ที่ลมหายใจพอดูลมหายใจไปเรื่อยๆจิตก็ไหลเข้าไปรวมเพกัอลมหายใจนี่คือการเพ่งลมหายใจเป็นสมะถะกรรมฐาน เราแทนที่เราจะไปเพ่งลมหายใจนะเราให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอานาปนาสตินะไม่ควรจะแปลว่ามีสติเพ่งลมหายใจนะอานาปนาสตินะควรจะแปลว่ามีสติรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องไปเนื่องๆ เ, นะเพราะฉนั้นรู้สึกอะไรรู้สึกกายรู้สึกทั้งตัวในขณะเนี้ เรารู้สึกสิตอนนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าเวลารู้สึกต้องวางฟอมไหมต้องนั่งอย่างนี้ก่อนถึงจะรู้สึกได้หรือเปล่างี้เง่าไปนะหรือต้องบังคับใจกันทำใจคลุม่มเราค่อยมาดูการหายใจอันนี้ก็ไม่ใช่นะรู้ด้วยใจปกติใจของมนุษย์นันดีที่สุดอยู่แล้วเราชอบไปทำลายใจมนุษย์นะไปสร้างใจของลมของอะไรขึ้นมา ทีไม่สร้างใจของสัตว์นรกขึ้นมานะทุกทรมานเครียดใจของสุรกายใช้ไม่ไดไ้ใช้ใจของคนปกติเพราะเราเป็นคนปกติเพื่อใครไม่ปกติพวกเราแหละ ไ, ไม่ปกติถูกกิเลสคราบงำไม่ได้มีใจที่ปกติจริงนะแต่ใจที่ดีใจปกติ ถูกกิเลสครอบงำใจก็เศร้าหมองเราคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปกิเลสมันครอบงําไม่ได้ตอนที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วเรามีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎเลยนะเป็นกฎของธรรมะเมื่อก่อนมีวิชาเลขาคณิตนะใครเคยเรียนไหมยังเรียนกันอยู่ฝั่งไม่รู้นะมันมีทฤษฎีบทนะทฤษฎีเป็นกฎเกณฑนะ์อย่าง เส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดนะคือเส้นตรงทฤษฎีเยอะนะธรรมะก็มีทฤษฎีนะเมื่อไรมีสติไหมนะไม่มีกิเลสงั้นเราพัฒนาความรู้สึกตัวนะขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเรามีทั้งสติเรามีทั้งสมาธิการที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เนี่ย เรียกว่ามีสติแต่ถ้ารู้สึกแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายทำงานจิตเป็นคนรู้ตรงที่ว่ามันมีจิตเป็นคนรู้ได้นะเรียกว่ามันมีสมาธิถ้าเมื่อไหร่เรามีสมาธิที่ถูกต้องเราจะมีจิตที่เป็นคนรู้ ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้เมื่อสามสี่สิบปีก่อนเนี่ยเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์ตามวัดป่าเราจะได้ยินคำว่าจิตผู้รู้เนี่ยบ่อยมากเลยท่านจะพูดถึงจิตผู้รู้ผู้รู้อะไรเงี้ยมาหลังๆเนี่ยมันหายไปไปมุ่งที่จิตสงบ ท, าาทําสมาธิให้จิตสงบอะไรเงี้ยก็ดีสงบก็ดีแต่สงบอยู่เฉยๆมันไม่เกิดปัญญา ถ้ามีจิตเป็นคนรู้รู้อะไรร่างกายให้ยใจออกจิตเป็นคนรู้ร่างกายให้ยใจเข้าจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ยังขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าะตอนที่หลงพอถามว่านั่งอยู่รู้ไหมเราก็ดูก็รู้ว่านั่งบอพยักหน้าซิข่าวเนี้ยเริ่มแล้ว เริ่มตึงๆแล้วเรากระดุกกระดิกอยู่แล้วนะวันวันเนึ่ไม่เคยมีใครหยุดนิ่งเลยถ้ามานั่งอยู่ในที่อย่างหลวงพ่อนั่งแล้วมองพวกเรานะเราจะเชื่อทฤษฎีของชาดาวินนะพวกลิงมาเกิดนะนะบันพบุรุษเป็นลิงไม่อยู่นิ่งอะ่ะยกุกยิกยุกยิกตลอดเวลานะไม่มีใครนิ่งสักคนนะรกระดุกรดกระดิกกระดุกกระดิกเกาโน่นคันนี่ขยับตรงโน่นขยับตรงนี้นะ ทำได้ไหมได้แต่มีสติรู้นะคันแล้วรู้ว่าคันเการู้ว่าเกานะอย่างเนี้ยใช้ได้รู้ได้ใจปกติไม่ต้องวางฟอร์มทำขลึมคันแล้วหนออยากเกาแล้วหนอยกแล้วอ้ยหายคันไปแล้วยังไม่ทันถือหัวเลยนะเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเนาะดูออกไหม เมื่อกี้ตัวหลงหัวเาะไม่ใช่รูปหัวเาะหรอกรูปจะเป็นตัวหัวาะนะเมื่อใจเป็นคนดูรูปถึงจะหัวาะแต่ถ้าใจไม่ได้เป็นคนดูใจหลงนะกิ <g ill et> เลสมันหัวเาะถูกหลอกธรรมะนะี่จริงๆง่ายที่สดุดธรรมดาที่สดุดธรรมะกับคำว่าธรรมดากนะ็คำเดียวกันนั่นแหละ เรียนให้เห็นธรรมดาอย่างธรรมดาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมดาไหมถ้าไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ธรรมดาเรื่องของธรรมดาพลาดพลากจากสิ่งที่รักแล้วเป็นทุกข์ธรรมดาไหมเนี่ยธรรมดาประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วเป็นทุกข์ธรรมดาไหมก็ปกติเจอของไม่ชอบก็เป็นทุกข์ธรรมะจริงเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเลย ร่างกายจิตใจนี้มีขึ้นมาเนยะเราก็ดูไปให้เห็นธรรมะให้เห็นธรรมดาของร่างกายธรรมดาของจิตใจเราจะเห็นได้นะจิตต้องเป็นผู้รู้ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้นะไปเห็นกายนะจิตจะถลมลงไปเพ่งกายอย่างไปรู้ลมหายใจนะจิตจ ะ, ะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วไม่มีปัญญาใดรหรอกก็นิ่งๆอยู่ั้นแหละอย่างมากก็พลิกไปทางทางฌาน อย่างเราเพ่งที่ลมหายใจไปนะไม่ไปวอกแวกไปที่อื่นะจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือลมหายใจลมมันจะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำไมลมละเอียดขึ้นรู้ไหมทำไมลมหยาบลมหยาบเพราะจิตหยาบลมละเอียดเพราะจิตละเอียดทำไมจิตหยามจิตตามกิเลสไปจิตก็หยาบจิตไม่ตามกิเลสไปจิตก็ละเอียด งี้อย่างเรามารู้ลมเนี่ยเราไม่ได้คิดฟุ้งซ่านเรื่องกิเลสตัณหาอะไรใช่ไหมเห็นแต่ลมดูแต่ลมนี่ยจิตมันค่อยละเอียดขึ้นเรืนะ่อยๆลมก็ละเอียดขึ้นนะจะรู้สึกตื่นตื่นตื่นตืน ต, นตืนขึ้นมาจะมาอยู่ที่จมูกเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่แค่นี้นะรู้สึกหายใจอยู่แค่นเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกมันมีกองลมอีกกองหนึ่งขึ้นในตัวเองมันคล้าย ออกซิเจนที่สะสมมาไว้ในตัวมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นในที่สุดไอ้ลมที่เคลื่อนตรงนี้ดับไปเลยแต่ไม่ตายมันมีลมที่สะสมอยู่ในตัวเนี่ยมัยังทำงานขึ้นมาได้หลอเลี้ยงร่างกายเดียวไว้ได้ที่จะมีความรู้สึกนะไอล้ลมเนี่ยมันแผ่ซ่านไปทั้งกายเลยก็จะรู้สึกเหมือนเราหายใจทางผิวหนังได้เคยได้ยินชื่อเจ้าคุณนอไหม เจ้าคุณนอวบอกว่ามีคนมันทดลองนะมันเอาปูนขาวเนี่ยทาตัวเองไหมละลายน้ําแล้วทาฟิดรูคุมขนหมดเลยนะแล้วนั่งสมาธิพอหยุดหายใจตายเลยนะตายไปเลยจริงมันมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะทําได้อยู่เนี่ยเราก็คอยรู้กันไปนะแทนที่จะไปดูลมถ้าดูลมจ้องอยู่ที่ลมเนที่สุดลมระงับกลายเป็นแสงนทะี่จะ อ, ออกไปทาง เป็นนิมิตละกันเนี้ยก็จะเข้าไปทางฌานหรือถ้าไปดูลมนะเห็นธาตุลมมันไหวนี่คือกสินลมถ้าดูลมที่ไหลผ่านช่องรูจมูกนะียกสินช่องว่างเรียกอากาศกสินถ้าดูแล้วมันกลายเป็นแสงจ้องที่แสงนะก็เป็นกสินแสงนะเพราะฉนั้นพวกนี้จะเล่นไปทางฤทธิ์ทางอาภิญญาได้แต่เราไม่เอาเราอยากได้มรรคผล แทนที่เราจะส่งจิตไปจ้องอยู่ที่ลมนะเรารู้สึกทั้งตัวเนี่ยรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูง่ายๆแค่นี้ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูแต่อย่าจงใจตั้งใจที่เป็นคนดูขึ้นมานะหลายคนเริ่มตั้งแล้วนี่ก็ตั้งขึ้นมมีใจเป็นคนดูแลจะดูหายใจใช้ใจปัติต เห็นไหมรู้อยังว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์ปกติหรอกนะพวกซูเปอร์แมนซูปเปอร์วูแมนทั้งนั้นเนะี่ยเป็นคนปกติสตกทีปกตินะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้สึกเนะี่ยร่างกายขยับใจเป็นคนรู้สึกคูเหยียดกนะ้าวไปถอยหลังอะไรเนะี่ยใจเป็นคนรู้สึกถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกเนะี่ย ปัญญาจะเกิดได้ยังไงมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะลองดูสิอะไรที่ถูกรู้อันนั้นไม่มีตัวเราหรอกนะลองดูอะไรใกล้ๆตัวสักอันซนะิหรือลองดูหัวไม่มือตัวเองลองดูสินะรู้สึกตปรู้สึกเห็นมันขยับที้ขกีๆยีก ย, กยกนี้รู้สึกนะรู้สึกเปล่าว่ามันไม่ใช่เรา ถ้ายังหัวแม่มือเราเนี่ว่าอันนี้ยังคิดอยู่ยังหลงอยู่ในความคิดแต่ถ้ารู้สึกเอานะเห็นแต่รูปมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราแล้วเพราะฉะนันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้สึกลงในกายก็ะจะเห็นนะกายไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นรู้สึกไปในเวทนาอย่างนั่งแล้วปวดเมื่อยอะไรเงี้ยรู้สึกความปวดความเมื่อยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่จิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนรู้คนดู ก็จะเห็นในะความปวดความเมื่อยไม่ใช่เรานะจะเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยก็จะเห็นะจิตมีราคะก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราจิตมีโทสะโทสะก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นนะทุกสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเรา แต่สิ่งที่ถูกรู้อันนี้มีศัพท์เฉพาะเรียกว่าตัวอารมณนะ์อารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราแต่อารมณ์ที่เราจะใช้ทําวนะิปัสสนาคือกายาใจคือรูปนามนะอารมณ์ที่เป็นความคิดเรื่องอารมณ์บัญญัติไม่เอามาใช้ในการทรําวิปัสสนาใช้ทําสมถะได้เช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติคําว่าพุโทโธใช้ทําสมถะได้ทําวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้าพุโทโธเรารู้ทันจิต พุทโธพุทโธจิตมีความสุขรู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้พุทโธจิตสงบรู้เนี่ยทีนี้เราใช้จิตเป็นอารมณ์จิตเป็นปรมัต a t งั้นอันเนี้ยถ้าพุทโธไปเรารู้ทันจิตไปเนี่ยทำอภิปัฏนาได้เพราะเราไม่ได้ทำอภิปัฏนาที่ตัวพุทโธเราทำอภิปัฏนาที่จิตดูที่กายดูที่จิตอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัฏนานง่ายๆไม่ยากอะไรรู้กายอย่างที่กายเป็น กลายเป็นอะไรบ้างกายหายใจออกกายหายใจเข้าถ you know, ้ารู age, now, è, ้อย่างนี้เนืองๆเห็นกายหายใจออกหายใจเข้าเนืองๆก็คือเราเจริญกายานุปัสนาสติปัฐานในอาณาปนสติมัพระถ้ารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราใจเป็นคนรู้คนดูนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราเจริญกายานุปัสนาสติปัทาน ในบัพพะที่เรียกว่าอิริยาบทบัพพะบัพพะคือเหมือนกับบทอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นส่วนของบทนะถ้าเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะกระดูกกระดิกรู้หยุดนิ่งก็รู้เนะี่ยขยับอะไรก็รู้รู้รู้อันนี้เราจเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดที่เรียกว่าสัมพัญญะบัพพะ เห็นในเรื่องง่ายๆอ่ะขออย่างเดียวให้มีใจเป็นคนรู้ะถ้ามีใจเป็นคนรู้เวลามันรู้ร่างกายหายใจไม่เห็นในร่างกายที่หายใจไม่ใช่เรามันรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะถ้ารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งคู่เหยียดอะไรนี่ยเหลียวซ้ายแลกกว่านะถ้ารู้อิรียาบทเนี่ยมันหยาบนะเช่นรู้อินรียาบทเนี่ยตอนเนี้นั่งอยู่หรือนั่งอยู่ท่าเนี้ยนะ แต่ถ้าเป็นสัมปชัญญะเนี่ยเรานั่งอยู่อย่างนี้เราเมื่อยเราขยับเนี่ยเนี่ยก็รู้สึกก็ยังนั่งอยู่นะบางคนเขาเรียกว่าอิริยาบถย่อย้็เรียกไปเหอะไม่เป็นไรไม่ผิดอะไรจริงจริ ง, รงมันไม่ย่อยก็ได้เคลื่อนไปเรารู้สึกทั้งตัวก็ทําได้นั่งอยู่แล้วลุกขึ้นยืนเห็นเลยเปลี่ยนเป็นช็อตชอตชตนะเวลายืนจะทําไงนั่งอยู่เนี้ย ถ้ายังเด็กอยู่ก็ลุกขึ้นเลยถ้าแก่ก็ต้องยันเนี่ยถ้าอย่ายันเนี่ยขยับเนี่ยรู้สึกละถ้ารู้สึกอย่างนี้เรียกว่ามีสัมผชัญยะบัพพะเจริญสัมผชิญยะบัพพะหรือจะดูเวทนาก็ได้ความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจนไม่เท่ากันนะในกายเนี่ยมีความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉย อย่างขนาดนี้ร่างกายเราสุขหรือทุกข์สังเกตัม้มมันมีทุกข์เป็นจุดๆมันไม่ได้ทุกข์ทั้งตัวหรอกมันทุกข์เป็นจุดๆ ด, ดูออกไหมนะรู้สึกไหมตรงจุดที่ทุกข์ไอ้ความรู้สึกทุกข์ตรงนั้นนะมันถูกรู้ลองดูแฝดดูจากของจริงไอ้ตรงที่ความรู้สึกทุกข์มันถูกรู้เนี่ยดูออกไหมมันไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เรา เนี่ยเจริญอย่างนี้ก็ได้นะดูอย่างนียดูไปเรื่อ ย, เ, อยเวลายังไม่เจ็บปวดมากก็ทนไหวล้งเจ็บปวดรุนแรงที่สติแตกสู้ไม่ไหวถ้าไม่ได้สงชาสู้ไม่ได้หรือในร่างกายส่วนไหนมีความสุขรู้สึกไหมขณะเนี้ยดูยากนะเพราะจริงๆร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะ บอกให้ดูส่วนที่มีความสุขนะหามตรงไหนว่าสุข <c oughs> ให้ผมอะ่ะผมมันเฉยๆ <c oughs> <c oughs> เวทนามีกันนะเวทนาทางใจอันนี้ดูง่ายขนานี้ใจพวกเราสุขหรือใจพวกเราทุกหรือใจพวกเรารเฉยๆดูออกไหมใครรู้สึกมีความสุขดูซิใครรู้สึกมีความทุก ที่ทุกทุกเนร่ะพอรีบไปเพ่งเอาไว้ว่าทุกสิพอหลวงพ่อถามใครรู้สึกมีความสุขพวกที่จะดูรีบหนว่ามันมีอะไรนะไม่ได้ทุกไปเลยเนี่ยตอนนี้ใจคลายออกรู้สึกไหมใจผ่อนคลายมีความสุขก็รู้ไปแล้วเนี่ยใจมีความทุกข์ตึงเครียดขึ้นมาก็รู้ใจผ่อนคลายมีความสุขก็รู้ดูอย่างนี้ก็ได้เราจะเห็นนลยมันมีเวทนา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้ใจที่มีความสุขลองดูไปสิทธิความรู้สึกสุขอะม่ของถูกรู้รู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรางั้นอะไรถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเราคือเป็นตัวอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายนะยกเว้นความคิดนะเป็นอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์นิพพานถ้าเป็นอารมณ์รูปก็อารมณ์นามเนี่ย ถ้าเราไปรู้เข้าอะไระเห็นนะมันไม่ใช่ตัวเรามันมเป็นตัวทุกข์นี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่ยากอะไรเนาะง่ายหรือดูกุศลอกุศลคนทั่วไปเวลาโกรธเนี่ยกูโกรธแต่ น, นักปฏิบัติโกรธเนี่ยจะเห็นนะความรู้สึกโกรธก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคน ร, รู้ความรู้สึกโกรธก็เป็นอีกอันหนึ่งใครทําตรงนี้ได้แล้วยกมือให้ดูหนะ่อย มันมากกว่านี้นะอย่ามาทำตอนหลดตอนแหลกกลัวว่าหลวงพ่อจะบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ยากอะไรนะมารยาภาวนานะมารยามากไม่ได้กินหรอกซื้อๆรู้ซื้อๆไปมันโกรธก็รู้ไปนะนะดูได้แล้วก็พอถูกถามก็จะตอบดีไม่ดี บางคนถามนะเป็นไงหมูนี้จิตเป็นไงตั้งใจมาเลยว่าจะมาโชว์จิตหนูดีมากเลยค่ะแต่ไม่ตอบแล้วหางถามจิตเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ดีขึ้นนิดหน่อยค่ะต่อแหล่ะแล้ก็รู้สึกอะว่าดีขึ้นเยอะอ่ะพี่วันส่งกันบ้านนะตลอด ต, ต่อแหลใช้ไม่ได้หรอกซื้อไว้ซื่อๆนะซื้อกับตัวเอง ตอนนี้ใครฟุง้งซานยกมือเซิต้องให้เวลาคนจีนต่อนกว่าเขาจะแปลเสร็จนะคนอื่นเขาหายฟุ้งไปแล้วนี่ค่อยรู้ค่อยดูนะดูกายใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนรู้สึกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายใจเป็นคนรู้สึกความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจ ใจเป็นคนรู้สึกกุศลนาะกุศลเกิดข so ึ้นเกิดที่ไหนกุศลนากุศลเกิดที่กายหรือที่ใจเกิดที่ตาไหมก็เวลามันไส้เขาเนี่ยอย่างเนี้ยเนี้ยกิเลสเกิดทางตาไหมะมันไส้หลอกว่าเราเนี่ยนะอย่างเงี้ยกิเลสไม่เกิดที่ตากิเลสเกิดที่เดียวที่ใจเกิดที่จิตจิตกับใจตัวเดียวกันนะ จิตใจวิญญาณสามันนี้จิตมโนวิญญาณคือสภาวะที่รู้อารมณ์แต่ว่าเรียกแตกต่างกันเวลามันทำงานคนละที่คนละจุดคนละหน้าที่ถ้าทำหน้าที่รับรู้ธรรมารมเราเรียกว่าใจถ้าทำหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอะไ ร, นะ ห, รหรือรับรู้การทำงานของจิตใจเราเรียกวิญญาณ ความอย่างรู้ถ้าทำหน้าที่อื่นๆนะเช่นเสะเบยอารมณ์ตกภวังขึ้นจากภวังอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเรียกจิตที่จิตทำงานได้สิบแบบใจทำงานรู้รู้ธรรมอารมณ์ เวลาจะสัมผัสพระนิพพานเนี่ยสัมผัสด้วยอะไรด้วยจิตด้วยวิญญาณหรือด้วยใจตอบไม่ถูกเพราะไม่รู้จักนิพพานไม่ว่ากันก็ไม่รู้จักฮะมาถามอะไรที่ตอบไม่ถูกงงรู้พระนิพพานด้วยอะไรรู้ได้จิตนะ ก็นะคำกลางๆนะที่พวกเราชี้นี้วคำว่าจิตใจเนะี่ยก็รู้ด้วยจิตใจอนะ่ะรู้บ่อยๆนะต่อไปเราจะรู้ว่าอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูนี่มียังเหลืออีกสิ่งนั้นคือจิตมีอารมณ์จะต้องมีจิตมีจิตจะต้องมีอารมณ์สองอย่างนี้เกิดร่วมกันเสมอนะอย่าง มีร่างกายเเป็นอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้ตัวที่จิตเป็นคนรู้เนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้ร่างกายสุขทุกข์จิตใจสุขทุกข์เฉยๆจิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นจะมีสองงานที่ทำงานควบกันคือจิตกับอารมณ์เรื่องอารมณ์เราหัดดูไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นนะอารมณ์ทั้งหมดนะ เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอกเป็นของนอกๆแต่อจิตที่เป็นคนดูเนี้ยดูยากนะว่าไม่ใช่เราวิธีจะดูจิตว่าไม่ใช่เรานะดูง่ายๆอย่างหนึ่งนะดูมันทำงานเดี๋ยวมันก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวมันก็เป็นจิตหลงเดี๋ยวมันก็ไปดูรูปเดี๋ยวมันก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวมันไปดมกลิ่นเดี๋ยวมันไปลิ้มรสเดี๋ยวมันไปรู้สัมผัสที่กาย เดี๋ยวมันไปคิดนึกทางใจดูการทำงานทางอายตนาทั้งหกเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วดับไม่ใช่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสุดท้ายเราจะเห็นจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเราสั่งให้เกิดทางตามันพาไปเกิดทางหูเลยสั่งมันไม่ได้จิตทุกชนิดเป็นอนัตตา อนี้พอเราเห็นความจริงของอารมณ์ทั้งหลายนะทั้งรูปธปรรมทั้งนามธรรมนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ฝึกเข้ามาจนถึงจิตใจที่เป็นคนดูอารมณ์ที่แรกเราฝึกไนหะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เราเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราแต่ไปเราเห็นในจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้เรื่องอื่นบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะต่อไปทั้งจิตทั้งอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกเนี่ยยกผ้าขึ้นมาเช็ดหน้าอะไรเงี้ยรู้สึกไหมไม่ใช่เช็ดไปแล้วเออใช่ว่าลืมไปแล้วนะรู้ที่หลังก็ยังดีไปกินข้าวนะแล้วค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจ หรือถ้าพัฒนาแล้วก็รู้ทันจิตจิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้นะแต่ตรงคำว่าจิตวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนียจริงจริงเป็นคำที่มันยังไม่ถูกนะจิตไม่ได้วิ่งจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตกลับมาเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตกลับมาที่ใจแล้วก็ดับนั้นจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะ ค่อยๆดูไปถ้าเห็นจิตมีดวงเดียวอยู่ยังใช้ไม่ได้ยังเป็นจิตเที่ยงอยู่จิตยังเป็นเราอยู่ถ้าเห็นเลยจิตที่รู้รูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเสียงเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดไปรู้เรื่องราวที่คิดเกิดแล้วก็ดับวิธีฝึกก็คือจิตมันหลงไปคิดรู้ทันจิตคิดก็ดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นจิตมันเกิดดับง่ายๆง่ายจริงๆนะไม่ใช่แกล้งหลอกเด็ดหรอก ตอนเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านก็บอกหลวงพ่อเรีง่ายหลวงพ่อกอ็ง่ายของท่านนะแต่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเออมันง่ายจริงๆอะง่ายมากๆเลยทําสมถะยากกว่าทํำวิปัสนาอีกนะถ้าทาวิปัสนาเรารู้หลักอะมีจิตเป็นคนรู้คนดูดูรูปธรรมนามธรรมาทํางานดูจิตทํางานง่ายๆแค่เนี้ยดูมันทํา แต่ทำสมถะเนี่ยแทรกแซงนะจิตไม่สงบทำให้สงบจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขอะไรเงี้ยจิตเป็นสุขแล้วทำให้ไปรู้เบิกขามีงานที่ต้องทำเยอะแยะเลยนะงานวิปัสสนาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกรู้อย่างที่กายเป็นรู้อย่างที่ใจเป็นแล้วไปกินข้าวไปนี่มอนะครับ